บางทีพูดเล่นพูดหัวพูดอะไรที่มันเลอะ เ, เทอะเทอะไม่จริงไม่อะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนะวงนินทากาเลหรือว่าอะไรเนี่ยผู้หญิงถึงเป็นเยอะกว่าผู้ชายมากกว่าผู้ชายเพราะงั้นเขาบอกว่าอย่าให้ผู้หญิงเนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะอย่าอย่ามานั่งร่วมกันนะแล้วนั่งร่วมกันเมื่อไรแล้วก็ได้เรื่องเลยแล้ว อืเดี๋ยวเอาความผิดคนนั้นเอาความไม่ดีคนนั้นเอาแล้วเริ่มแล้วสภาเกิดแล้ว เ, เ, เขาเรียกสภาเลยสภาแบบเนี้ยเขาเรียกสภาเลยไม่ใช่สภากาแฟสภากาแฟนี่ก็พวกพวกผู้ชายนะสภากาแฟนะส่วนใหญ่ไอ้คำว่าสภากาแฟเนี่ยพวกผู้ชายคือเช้าเช้าเนี่ยพวกผู้ชายส่วนใหญ่บางทีเขาชอบไปกินกาแฟกันไง แล้วเขาก็พูดคุยกันผู้ชายส่วนใหญ่พูดคุยกันเนี่ยมักจะคุยอะไรผู้ชายส่วนใหญ่เอากุยการเมืองคุยเรื่องธรรมาหากินคุยเรื่องอะไรแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าเจอกันมักคุยอะไรมักคุยอะไรเอากุยเรื่องความไม่ดีของคนนั้นความไม่ดีของคนนี้แหมอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องจุกจุกจิกจิกเอามาพูดกันผู้ชายคุยเรื่องใหญ่ใหญ่แหมเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรต่ออะไร อันนี้นี่พูดโดยส่วนรวมๆนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอันนี้ถึงให้แยกให้เห็นว่าถ้าใครเนี่ยถึงบอกว่าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายคุณต้องปรับเปลี่ยนจิตใจนะเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความนึกคิดของตัวเองให้ได้นะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเออค่อยๆปรับจิตปิญญาให้ให้เป็นเอ่อญญาณของผู้ชายแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเออสร้างวิบากกรรมดีๆไว้อีก น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ร่างผู้ชายถึงจะมีอ่ะเมื่อกี้นี้ดักลมด้วยตะข่ายแล้วนะเสร็จแล้วก็มีบอกว่าเขตแดนของหญิงเหล่านั้นไม่มีหมายถึงเขตแดนอนาเขตของผู้หญิงที่ที่ไม่ดีในนิสัยไม่ดีเนี่ยไม่มีอนณาเขตไร้พรมแดนพูดง่ายหญิงทั้งหลายเสมอด้วยไฟกินเปลี่ยงเอ่อเข้าใจไหมคําว่าไฟกินเปลี่ยง เปลียงเนี่ยจริงๆก็คื อ, อคือเชื้อเพลิงหรือว่าคือน้ํามันนั่นเองนะพวกน้ํามันอย่างเช่นเปลียงงาอเงี้ยก็จริงๆก็คือน้ํามันงาคําว่าเปลียงนี่นะเพราะฉนั้นผู้หญิงนี่เหมือนกับไฟกินเปรียงก็คือเป็นไงไฟกินเปรียงไฟมันก็กินน้ํามันหรือว่าถ้าเอาน้ํามันเนี่ยมาใกล้ไฟไฟมันก็ยิ่งลุกใช่ไหม ไฟมันก็ยิ่งติดติดไปจนกว่าอะไรจนกว่าเชื้อนั้นจะหมดนะไฟกินเปลียยก็คือไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อเพลิงชั้นใดแม้หญิงเหล่านี้ก็ย่อมไม่อิ่มด้วยความยินดีในกิเลสกามฉันนั้นเหมือนกันนี่เขาเลยเปรียบอันทัาสำน ว, นวนว่าไฟกินเปลียงเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าอ๋อเขาเปรียบเหมือนกับใครก็ตามมาผู้ชายผู้หญิงก็ตามใครที่บ้ากาม ใครที่ยังมีตันหาหน้ามืดเรื่องกามราคะเรื่องอะไรพวกนี้จัดๆพวกนี้ยังมีอยู่มากเนี่ยพวกนี้จิตสภาวะจิตคือไฟกินเปลี่ยงอนอกจากไฟกินเปลี่ยงแล้วก็อะไรอีกอย่างที่สามก็เปรียบด้วยงูเหา่าย่อมเลือกคบแต่บุรุษที่มีทรัพย์เนี่ยผู้หญิงเปรียบเหมือนงูเหา่าซึ่งอันนี้พระเจ้าท่านมีเปียบ นนในพระไตรปิฎกก็มีแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเนี่ยอุปมาเหมือนกับงูเห่าคือหญิงทั้งหลายเช่นเดียวกับงูเหา่าด้วยเหตุ5ประการเหล่านี้หนึ่งเป็นผู้มักโกรธนี่ผู้หญิงนี่คืออิทธิภาวะชัดๆเลยอันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังนิยมความโกรธคนนั้นกำลังนิยมความเป็นผู้หญิงนะเพราะัให้รู้ไว้ทุกครั้งที่โกรธ ุณรีบบอกตัวเองเลยอยากเป็นผู้หญิงหรืออยากเป็นผู้ชายถ้าอยากเป็นผู้ชายพยายามฝึกระงับความโกรธอย่าไปหัดโกรธยิ่งบางคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่า ย, ายถือสาง่ายอะไรง่ายนะถ้าคุณเอานี่ไปใช้แบบเอา้าอยากเป็นงูเห่าไงอยากเป็นงูเหา่าแล้ว อ, อยากเป็นงูพิษเหรอเปรียบเปรียบเหมือนกับงูเหา่างูเห่าเนี่ยจะมีพิษ นะมีพิษร้ายคําว่าความโกรธเนี่ยเหมือนกับพ่นไงพ่นพิษนะพ่นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังผู้หญิงนี่ถึงมักโกรธนะสก็คือเนี่ยถึงบอกว่ามีพิษร้ายมีพิษร้ายนี่หมายถึงยังไงอะ่ะมันไม่ใช่โกรธแล้วนะคราวนี้มันอะไรอะ่ะทำร้ายอะ่ะมันไม่ใช่แค่โกรธนะมันทำร้ายนะคำว่ามีพิษร้ายเนี่ยยังเขาจะมีใช้สํานวนในพระไตรปิฎกว่า พิษแล่นหรือไม่แล่นเอ่อทำให้คือพิษเนี่ยอย่างงูอ่ะงูที่มีพิษเนี่ยงูเห่ามีพิษแต่ถ้ามันไม่แล่นมันไม่พ่นพิษออกมาพิษอยู่ในตัวงูพิษไม่ได้ทําร้ายงูแต่ถ้าพ่นพิษออกมาใส่คนอื่นพิษทําร้ายคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าทําให้พิษมันแล่นละเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าสมมุติว่าตัวเราเองเรารู้ว่าโอ้โห สมมติเรารู้ว่าความโกรธเนี่ยเป็นพิษร้ายใช่ไหมความโกรธเนี่ยเป็นอกุศลเป็นพิษร้ายคุณไม่เพียงแต่ไม่ทำให้มันแล่นออกไปเท่านั้นคุณยังจะอเอาพิษออกดีท็อกนะคุณจะต้องเอาพิษออกหรือคุณจะต้องล้างพิษให้ได้ด้วยเพราะถ้าคุณล้างพิษไม่ได้พิษก็ยังสะสมอยู่เพราะันบางคนนี่นะรู้ตัวแล้วนะว่าโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะรู้ตัว มีสติด้วยนะพยายามบังคับตัวเองแต่มันติดมานานแล้วไงวันโอ้โหมันโกรธมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นโอ้บางคนพยายามสู้นะกัดฟันสู้จริงๆบางคนกัดฟันมือเมือนี่เดยกปรกจราจนมือสั่นนะบางทีหน้าเนอนี่แดงเพราะว่าไอความโกรธมันความร้อนเนี่ยภายในนี่มันพุ่งขึ้นหัวเลยนะ หน้านี่ดแดงเลยแบบพยายามข่มกั้นอารมณ์ตัวเองบางคนถึงขนาดนั้นเลยพยายามต่อสู้พอรู้ว่าไม่ดีโกรธไม่ดีก็พยายามข่มอารมณ์ถ้าถึงขนาดแบบนี้เนี่ยถ้าทนไม่ไหวรีบรีบรีบไปที่อื่นไปหาสาน้ำที่ไหนก็กระโดด <c oughs> ให้มันเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหความร้อนมันขึ้นหัวแล้วรีบไปหาที่เย็นๆที่จะทาให้จิตเนี่ยมัน ที่เราร้อนเนี่ยมันลดผ่อนลงมาได้แล้วอะไรล่ะที่จะเย็นที่สุดฮะธรรมะนั่นแหละที่จะเย็นที่สุดเพราะฉะนั้นอาศัยธรรมะเนี่ยแหละดีที่สุดเลยโดยเฉพาะคุณคำว่าสาน้ำเนี่ยเม่กี้อาจามาบอกว่าไปหาสาดน้ำเย็นๆแล้วก็กระโดดโครมลงไปเนี่ยก็หมายถึงว่าบางทีเนี่ยคุณจดจำธรรมะหรือคุณจดจา คําสอนอะไรดีๆเนี่ยเอาไว้พอเวลาโกรธพออะไรทุกข์ทรมานกุ้มอกกุ้มใจแค้นเคืองอะไรใครเขารีบพิจารณาขึ้นมานี่แหละคุณกําลังเอาน้ําเย็นมาลูบและเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันเย็นลงให้มันสงบลงแต่ถ้าน้ําน้อยก็แพ้ไฟนะคุณจําให้ดีนะถ้าน้ําน้อยก็แพ้ไฟวันปรากฏว่าธรรมะเนี่ยที่คุณเอามาพิจารณาคุณพิจารณาแบบอะไรอะ แผ่วๆอ่ะคุณพิจารณาแบบไม่จริงจังคุณพิจารณาแบบเล่นๆมันไม่ได้ผลไฟมันกําลังลุกแล้วอะ่ะเสร็จแล้วคุณก็มาไงเอาสมมติเอ า, มมเอากระสอบมาสมมติกระสอบมาตบไฟเนี่ยคุณค่อยๆตบค่อยๆต บ, ตบแล้วมันจะไปมันจะดับได้ไงว่าอันเนี้ถึงบอกว่าเวลาเราพิจารณาที่จะสู้กับความโกรธความขัดเคืองใจอะไรของเราเนี่ยนะน้ําต้องมากพอน้ําต้องเย็นพอ หมายถึงว่าคุณต้องพิจารณาให้จริงจังให้เข้มข้นให้มีน้ำหนักพอจนกระทั่งไอ้ความโกรธความเกลียดชังนั้นน่ะมันสู้ไม่ไหวมันก็ค่อยๆลดลงลดลงเพราะน้ำเรามากพอที่จะดับไฟนะั้นลงไปได้นะอย่างเงี้ยคนนั้นถึงจะดับไฟได้หรือถึงจะดับพิษได้นะอตอนแรกนี่ อ, อิทธิภาวะคือมักโกรธสองมีพิษร้ายสาม ผูโกรธไว้ถ้าผูโกรธไว้นี่หนักข้อถึงอาฆาตพยาบาทจองเวรความอาฆาตพยาบาทจองเวรมันไม่ใช่เหมือนโกรธธรรมดาแล้วโกรธธรรมดาบางทีคุณยังไม่เจอไม่อะไรนี่คุณก็ยังเลิกคิดนะไม่เจอนานๆเข้าคุณก็ลืมแล้วคุณก็ไม่ใส่ใจแต่ถ้าผูโกรธเอาไว้เนี่ยมันเข้าขายอาฆาตพยาบาทจองเวร น, นานแค่ไหนก็ยังจํา นานแค่ไหนเมื่อไรคิดขึ้นมาเมื่อนั้นก็โกรธอีกก็แค้นเครืองอีกทั้งๆ้งที่ไม่ไม่ได้เจอคนนั้นนะแต่แค่คุณคิดขึ้นมาเมื่อไร่คุณก็โกรธอีกเนี่ยเขาเรียกว่าผูกโกรธเอาไว้พวกนี้นี่นะชาตินี้เนี่ยต่อให้คุณไม่เจอคนนั้นแล้วนะชาติหน้าเนี่ยคุณยังจัจําต่อไปอีกนี่คือการผูกโกรธเพราะมันจะผูกข้ามชาติถ้าชาติหน้าต่อไปอีกคุณก็ยังผูกเอาไว้อีก ชาติถัดไปคุณก็ต่อไปอีกไม่มีวันจบสิ้นนี่คือการผูกเอาไว้วันอย่าผูกจะโกรธใครจะเกลียดชังใครจะไม่ชอบใจใครพยาามีสติรู้ตัวแล้วก็โช้ชาตินี้ก็จะแย่พออยู่แล้วนะโกรธทีไรก็เจ็บใจทุกทีอ่ะคือใจมันเจ็บโกรธครั้งใดก็ใจเจ็บทุกทีเพราะฉะนั้นเลิกทําใจตัวเองให้เจ็บสักทีเะนะ นันก็พยายามสลายคลายมันออกไปพยายามคิดอะไรดีๆต่างๆเพื่อที่จะมาลดใจที่ไม่ดีอย่างเงี้ยลงไปให้ได้แล้วอย่างเงี้ยการผูกโกรธเอาไว้มันถึงจะค่อยๆจางค่อยๆจางแต่ส่วนใหญ่ที่แก้ไม่ได้แล้วก็แก้ไม่หายก็เพราะว่าอาตมาบอกแล้วว่าน้ำที่มาดับเนี่ยมันไม่มากพออย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบใจใครบางคนที่ตั้งไม่เลยนะ จะทนแค่สามครั้งอ่าบางคนนี่ตั้งไว้เลยอาตมาเนี่ยเคยตั้งไว้ว่าจะทนใครก็ตามจะทนแค่สามครั้งนยเกินสามครั้งนะนงได้เรื่องนะ <c oughs> จนตอนหลังอ่ะถึงมารู้ว่าโอ้ยเรานี่ยังใช้ไม่ได้คือตอนแรกเนี่ยเราคิดแต่ ว, ว่าถ้าใครทำให้เราโกรธเราเออครั้งเดียวก็พอแล้วใช่ไหมแต่แต่ตหลังเราปฏิบัติทาเราเอ้ยครั้งเดียวมันน้อยไปน่าจะให้โอกาสเ้า อาก็ครั้งที่สองเสร็จต้หลังปฏิทัพปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็เอ้ยคนเราไม่ยังพลาดกันได้เพราะน้ก็ให้สามครั้งเอา้าแต่จริงๆแล้วมันไม่พอก็เลยแก้แก้ทิฏฐิแก้ความคิดอันนี้ทิ้งเพราะความเป็นจริงแล้วการที่เราโกรธใครก็ตามเนี่ยที่มาพูดมาว่ามาอะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้เราโกรธเนี่ยความโกรธนี้คือเราเป็นคนคิดเอง เราเป็นคนปรุงเองเราเป็นคนสร้างความโกรนี้ขึ้นเองไม่ใช่เขาสร้างนะเพราะแม้ว่าเขามาด่าเราแต่ถ้าเราไม่ปรุงในแง่ลบเราไม่ปรุงในแง่เกลียดชังแล้วคุณจะโกรธไหมคุณก็ไม่โกรธไม่เพียงแต่ไม่โกรธนะบางทีคุณยังสงสารเขาอีกด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยชัดเจนตรงนี้ว่าอ้อความโกรนี้มันเพราะจิตเราเป็นผู้คิด วันข่าวนี้เมื่อเราจะตัดความโกรธออกหรือการผูกโกรธเนี่ยที่เราจะตัดออกเพราะเราก็คือการละเว้นจากความที่เราเนี่ยจะคิดเลวคิดร้ายคิดไม่ดีเพราะนั้นทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นปั๊บทันทีเลยเรื่องเก่าๆนั่นแหละเรื่องซ้ำๆนั่นแหละทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีนี้เกิดขึ้นปั๊บคุณรีบล้างเลยรีบคลายรีบแก้ทิ้งเลยบอกโอ้โหไม่เอาอีกแล้วเรื่องนี้คิดมาเป็น สิบครั้งเป็นห้าสิบครั้งมาแล้วอะไรอะไรก็รู้หมดทุกอย่างแล้วด้วยมันเหลืออยู่ที่ว่าจะตัดใจเลิกโกรธหรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะอะไรอะไรแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยคิดมาต้องโหหลายสิบเที่ยวแล้วอะ่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะเอาอะไรล่ะชีวิตนี้ชาตินี้ถ้าเราจะเอาความสุขเราจะเอาความดีมาใส่ใจเราเลิกคิดเร็วๆอย่างนี้ได้แล้ว จะาด้ไม่ไปผูกกับคนคนนั้นไว้เพราะตราบใดคุณคิดเลวกับใครตราบนั้นคุณก็เอาจิตของคุณไปผูกกับจิตของคนนั้นไว้เพราะนี่แหละคือการผูกโกรธเอาไว้เพราะน้ต้องสลายคนที่จะเกิดชาติต่อๆไปเนี่ยหรือว่าในอนาคตต่อปต่อๆไปในชาตินี้ก็ตามคนที่จะอยู่ผาสุกไม่โดนใครมาเบียดเบียน คนนั้นจะต้องอย่าไปสร้างวิบากกรรมพวกนี้คืออย่าไปผูกพยาบาทอย่าไปผูกอะไรไว้กับใครทั้งเราผูกเขานะหนึ่งอย่างนะแล้วเขาก็มาผูกเราอ่าแค่เขามาผูกเราเนี่ยคุณว่าบางทีมันเยอะหรือน้อยอะ่ะเพราะว่าเราพลาดไปโดยไม่รู้ตัวนะบางทีไปทําให้ใครโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเขาก็ผูกไม่ชอบใจเราไว้แล้วอะ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เอาละเรารู้ตัวคราวนี้ ไอ้ที่เราไปผูกกับใครไว้เนี่ยเรารู้ตัวนี่เพราะนั้นลดตรงนี้ได้ไหมลดตรงที่เราเนี่ยจะไปทำไปผูกโกรธกับใครเขาไว้อย่างน้อยๆคุณลดส่วนพวกนี้ออกไปได้โอ้โหแค่นี้คุณสบายอย่างมากแล้วเพราะอะไรเพราะต่อให้ใครมาทวงหนี้ต่อให้ใครมาเล่นงานเราก็ตามแต่เอาเราไม่โกรธด้วยอะเราไม่ถือสาด้วยเพราะนั้นนี่พวกนี้เนี่ยจะบรรเทาบาบางไปได้เร็วจะหมดเร็ว แล้วก็มักจะไม่หนักหนาด้วยถ้าตาบใดที่เราเนี่ยยังตัดความผูกโกรธใครไว้เยียดชังใครไว้เราตัดออกไปได้บ่อยๆแล้วก็มากๆนะอะ่นี่เป็นอย่างที่สามคือผูกโกรธไว้อย่างที่สในนี่เขาใช้คำว่ามีลิ้นชั่วอย่างที่สแต่จริงๆแล้วผู้เจ้าทันตาใช้ว่ามีลิ้นสองแฉกอ่าลิ้นงูเนี่ยงูเห่าเนี่ย มันมีลิ้นสองแฉกแต่ในที่นี้นี่เขาตูมลงไปเลยว่ามีลิ้นชั่วก็หมายถึงนะ่จริงๆก็คือมีลิ้นสองแฉกนั่นก็คือโอโปดโกหกซอเสียดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่างที่หมักจะประทุษร้ายมิดนะมักประทุษรายมิดเพราะบรรดาเหตุทั้ง5้าอย่างนี้ บัณฑิตพึงทราบว่ามีพิษร้ายเพราะมีความกำหนัดมากมีริ้นชั่วเพราะกล่าวคำส่อเสียดประทุษร้ายมิตรเพราะมักประพฤตินอกใจสามีเนี่ยอันที่ประทุษรายมิตรนี่นะในที่นี้นี่เขาเอาว่าคือมักประพฤตินอกใจสามีฟังแล้วแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบอกว่าประทุษร้ายสามีใช่ไหม ใช่ป่ะถ้าปทัทุสลายไม่รู้พวกคุณฟังทันไหมเนี่ยพอรู้สึกแต่ละคนน้างงๆเลน ะ, ะคือคือในหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าปทัทุสลด์มิดใช่ไหมเสร็จแล้วคาขยายเ้าเนี่ยเขาบอกว่าปทัทลลุสลดมิดเนี่ยก็หมายถึงว่าว่าเพราะว่าประพฤตินอกใจสามีอันนี้คุณฟังแล้วงงง ง, งไหมฮะ จริ ง, รงมันก็น่าจะบอกไปเลยใช่ไหมว่าปทุสลายสามีก็กบอกไปเลยแต่ในที่นี้เขาไม่ไมใช่เขาใช้คําว่าปทุสลายนมิดจริงๆถ้าเราฟังแค่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะตีความไม่ใช่แค่สามีอะรือสามีก็ถือว่ามิรแล้วนะแต่ว่าคนอื่นๆอีกใช่ไหมอ่คือรวมหมดเลยปทุสลายหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการปรทุสลายสามีโดยการที่ง่ายไปมีชู้เอาเงี้ยไปมีชู้ก็คือต้องไปยุ่งกับ ผู้ชายคนอื่นถูกไหมการที่ไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นก็หมายถึงว่าไปปฏิทุสลายคนอื่นแล้วไปปฏทุไปปฏิทุสลายคนอื่นแล ะ, ปป ะ, ลนนและในขณะที่ปฏิทุสลายคนอื่นก็คือปฏิทุสลายสามีตัวเองด้วยเพราะการมีชูน้นั้นเท่ากับว่าปฏิทุสลายทั้งสามีตัวเองแล้วก็ทั้งคนอื่นโดยที่คนอื่นเนี่ยเราจะไม่รู้จักก็ตาม เพราคำว่าปัทุสไรมิตรจริงๆๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่แค่ต้องคนที่เรารู้จักเท่านั้นคนอื่นที่แม้ไม่รู้จักยิ่งสังคมทุกวันนี้โอ้โหจะมาเคยพูดไปบ้าบอคอแตกมากแล้วสังคมทุกวันนี้บางทีแค่พบแค่เจอกันแค่ศบตากันแว็บเดียวเท่านั้นเองไปแล้วมันไปรงแรงมาแล้วโอ้มันจะอะไรกันขนาดนั้น เพราะฉะนั้นแล้วมันสังคมทุกวันนี้มันอะไรอะเรื่องกามเรื่องอะไรนี่มันหนักข้อมากๆเลยอันนั้นเป็นห้าอย่างนะที่พูดถึงว่าไม่ควรที่จะไปคบหาด้วยนะแล้วก็บอกว่าเปรียบเหมือนกับงูเห่าเสร็จแล้วก็นี่ก็มีคำเปรียบตอบอีกบอกว่า เปรียบเหมือนกับโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกฉะนั้นเปรียบเปรียบอิทธิภาวะเนี่ยเปรียบผู้หญิงเหมือนกับวัวที่ชอบไปกินหญ้าที่ภายนอกในที่นี้เขาก็บอกว่าที่โคไปเลือกกินหญ้าในภายนอกก็คือโคทั้งหลายจะละทิ้งสถานที่ซึ่งตนเคยหากินแล้วเลือกกินแต่หญ้าที่อร่อยอร่อยที่ตนชอบใจในภายนอกที่อื่น ชั้นใดแม่หญิงเหล่านี้ก็เหมือนกันย่อมละทิ้งบุรุษที่หมดทรัพย์สินแล้วคบกับชายที่มีทรัพย์คนอื่นต่อไปอีกนะนั่นก็อีกอย่างหนึง่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาละนะ้เปรียบเหมือนดูนะตอนนี้มีอยู่5อย่างบอกว่าช้างสารงูเห่าพระราชาผู้รับบุรธาพิเศษหญิงทั้งปวง นะทั้ง5้าอย่างนี้ น, นราชนพึงครบ้วยความระวังเป็นนิดเพราะสิ่งทั้ง5นี้มีความแน่นอนที่รู้ได้ยากแท้4 อ, อ, อย่างเหรอหสอสสเอออย่างในนี้แสดงว่าในนี้เขาเขียนผิดเขาเขียนเป็น5จริงๆแล้ว4อย่างแต่นี่เราลองลองฟังดูว่าทำไมไปเปรียบ เปรียบสิ่งสี่อย่างนี้ที่ที่เรียกว่ารู้ยากหรือง่ายเอาใจยากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนทางไหนยังไงนะอย่างแรกก็คือช้างสารนะช้างสารที่คุ้นเคยกันมานานก็ยังฆ่าคนเลี้ยงได้โอ้นี่ทำไมถึงง่ายว่าไว้ใจไม่ได้อ่าเรา ที่คบไม่ได้หรือว่าที่ต้องระมัดระวังมากเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเลี้ยงช้างอย่างเงียว่าช้างเนี่ยเพ้อเพอมันตกมันนั่นเองอ้าวเราไม่รู้สิมันเกิดตกมันขึ้นมาเนี่ยขนาดช้างที่ เ, เอ่อควานช้างที่เคยเลี้ยงดูมาอย่างดีตลอดเพ้อเพอโดนช้างทําร้ายถึงแก่ความตายถ้าเวลาที่มันตกมันวันนี้คุงบอกว่าต้องระวังเรื่องของช้างอ่าเสร็จแล้วช้างเสร็จแล้วก็อะไร งูเห่างูเห่าเมื่อกี้นี่เราก็ไอ้นั้นไปแล้วนะงูเห่าอะ่ะเหมือนชาวนาเลี้ยงงูเห่าอะ่ะใช่ไหมเอางูเห่ามาซุกไว้ให้มันอบอุ่นหวังว่ามันจะได้ลอดตายแต่ในที่สุดแล้วชาวนาก็โดนงูเห่ากัดนะถึงแก่ความตายในที่นี้เขาบอกว่างูเห่าแม้เลี้ยงไว้จนเชื่องถ้าประมาทก็กัดคนเลี้ยงได้ นะอันนี้ก็คือความหมายว่างูเห่าต้องระวังอย่างที่สามก็คือพระราชาแม้จะทรงโปรดปานถ้าพลาดพลั้งก็ถึงแก่ชีวิตเพราะนั้นเนี่ยเราจะดูหนังจีดูหนังไทยดูอะไรมาอู้เยอะไม่น้อยเลยบางทีแม้พระราชาโปรดปานอย่างเลยนะคนนี้แต่โปรดปานไปโปรดปานมามีอยู่วันหนึ่ง เกิดไปทำพลาดอะไรค่อยพระราชาโกรธขึ้นมาสั่งประหารชีวิตบ้างหรือบางทีเนรเทศบางบางทีลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนี่เพราะฉะนั้นพระราชานี่เลยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่โอ้ต้องระวังเข้าใกล้เนี่ยต้องระวังมากๆได้ดีได้ดีก็ได้แต่ได้ร้ายก็ด้วยอ่าพอกูหับเออพระราชาเสร็จแล้วต่อไปก็คือ ผู้หญิงทั้งหลายก็เหมือนกันถึงจะคุกคีกันไปมาเป็นเวลาสักเพียงใดถ้าเกิดไม่พอใจก็อาจจะฆ่าให้ถึงตายได้โอ้แสดงว่าอะไรผู้หญิงนี่อะไรนะผู้หญิงก็เคยร้องร้องเพลงถึงผู้ชายช่างร้ายเหลือทนคนอะไร ไล่ความปลาณีนะผู้หญิงเขาว่าผู้ชายนะไม่รู้อ่าเพลงของใครคนรู้ว่าจะจําได้แต่เป็นประโยคประโยกมาแต่ไม่รู้ว่าเพลงของใครนะพวกคนเก่าๆ ก, ก็รู้นะแมื่กี้นี้ผู้หญิงเขาลองถึงผู้ชายนะแต่จริงๆแล้วอาจามาบอกแล้วมันเหมือนกัน่ะถ้าใครเร็วร้ายใครนิสัยไม่ดีใครชั่วร้ายแล้วก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นที่เราก็ไม่ควร จะไปเข้าใกล้หรือไปเอาอย่างอากีนี้เป็น5้าอย่างนะที่รู้ได้ยากเสร็จแล้วต่อไปก็จะมีบอกว่าหญิงที่งามเกินไปนี่บอกว่านี้ยังมีอีกบอกว่าผู้หญิงที่งามเกินไปอย่าไปคบอย่าไปเข้าใกล้เพราะผู้หญิงที่งามเกินไปผู้ชายไม่ควรครบด้วยเพราะอะไร พ่าป่ต่อให้ผู้หญิงคนนั้นไม่หลายใจด้วยแต่ผู้หญิงที่งามเกินไปเนี่ยไม่ควรไปคบพ่ออะไรเออคนไปชอบเยอะแยะเพราะบางทีอาจจะตายนะคือมันแย่งกันตายอะนะเอเอมันไปแย่งกันเนี่ยไปแย่งผู้หญิงกันเนี่ยมันฆ่ากันตายมันถึงบอกอย่าไปรักเลยอย่าไปชอบเลยผู้หญิงที่งามเกินไปอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือหญิงที่คนหมู่มา ก, กรักไข่อเหลก็กีนี้ เพราะว่างามนะผู้หญิงที่สวยงามเกินไปอันนั้นก็อันตรายแต่ตอนนี้หญิงที่ใครๆก็รักใครใครๆก็นิยมชมชื่นชมชอบนะ่หมายถึงหญิงอันเป็นที่รักใครเป็นที่ชอบของชายเป็นจำนวนมากป้าหนึ่งหญิงงามเมืองที่คนพอใจตั้งครึ่ ง, ง, งแขวนกาสีชายไม่ควรครบ <laughs> อันนี้ตาม สัมดวนในนี้เขาบอกโอ้โหใครๆก็รักใครชอบพอโดยเฉพาะยิ่งพวกผู้หญิงงามเมืองเนี่ยใครๆไอ้พวกที่พูดง่ายผู้ชายที่มีกาม ร, ราคะต่างๆโอ้โหชอบกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคบอย่าไปเข้าใกล้ผู้หญิงพวกนี้นะอันตรายแล้วก็มีหญิงที่เหมือนมือขวาแหมอันนี้ตีความยากเป็นยังไง ผู้หญิงที่เหมือนกับมือขวา อ, อันนั้นเราว่าเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ในนี้เขาบอกไงเดี๋ยวฟังดูนะหญิงที่เหมือนมือขวาหมายถึงหญิงที่สันทัดในการฟ้อนรําและการขับร้องจริงอยู่หญิงเช่นนั้นย่อมมีความปรารถนามากมีเพื่อนมากเพราะฉะนั้นไม่ควครคบก็คงคล้ายๆกับหญิงงามเมืองอะนะแต่แต่คือสมัยก่อนเนี่ย เขาถือว่าผู้หญิงจะเก่งคือเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรนี่เขาไม่ถือเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งอยู่แล้วเพราะันผู้หญิงที่จะเก่งนี่เขาต้องหมายถึงว่าเออผู้หญิงที่อะไรอ่ะระบำล ำ, ล ำ, ลำฟ้อนได้แล้วก็อะไรอ่ะดูแลบ้านช่องเรือนชานหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ได้เก่งเขาถึงจะถือว่านี้นเพราะคำว่ามือขวาของเขาอถูกแล้วะที่หมายถึงความเก่งอย่างนั้นแต่อย่างนี้ก็เป็นอันดับไลน์ ถ้าผู้หญิงอย่างเนี้ยโอ้โหใครๆก็รักใครใก็ชอบอีกเหมือนกันพราอันตรายอันนี้เขาพูดในด้านไม่ดีนะเพราะจะต้องฟังและต้องเข้าใจเขาไม่ได้พูดในด้านบวกเขาพูดในด้านลบแล้วยังมีอีกคือหญิงที่มีพระหญิงที่เป็นภรรยาของคนอื่นอันนี้จริงๆก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งยู่แลนะหญิงที่ที่เป็นภรรยาของคนอื่นแล้วก็หญิงที่คบหาด้วย เพราะเหตุแห่งทรัพย์หญิงห้าจำพวกนี้ไม่ควรครบนะสุดท้ายหญิงที่คบด้วยเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็คือเนี่ยนะมาคบหาเราหรือว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราโดยที่หวังทรัพย์แนละไม่ใช่เพราะความชื่นชอบหรือว่าความดีงามอะไรเขาบอกในที่นี้เขาบอกว่าหญิงที่เห็นแก่ทรัพย์ก็คือหญิงใดคบชายเพราะเห็นแก่ทรัพย์อย่างเดียว หญิงนั้นแม้ม่มีใครหวงแหนชายก็ไม่ควรครบหาด้วยว่าหญิงชนิดนั้นเมื่อไม่ได้ทรัพย์ย่อมเกลี้ยวกร่อดเพราะว่ามาคบกับเราเพราะหวังผลประโยชน์ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็โอ้โหานี้แหละโดนเล่นงานโดนอะไรอ่ะเล่นงานงอมพระรามเลยละาเนี้ย อ, อันนี้เป็นอีกห้าอย่างนะที่ไม่ควรครบ